บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นชื่อว่าเป็นกลุ่มของธรรมะที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติส่วนผลทัองปรงนั้นจะเกิดสืบเนื่องกันไปตามสมควรแก่การและโอกาส ที่ผลเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นและแนวของกรรมฐานจึงเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้การรับประทานอาหารด้วยการรับประทานยาผลต่อมานั้นจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของต้นไม้นั้นจะให้โดยการให้นั้นก็จะให้ไปโดยลําดับแต่ว่าในส่วนของ ปริยัติคือเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้นั้นบุคคลสามารถมองโดยสรุปรวมได้ว่าธรรมะทั้งปวงนั้นจะรวมลงในที่ใดซึ่งบางครั้งท่านอาจจะใช้คำานามารูปก็ได้ถึงถ้าหากว่ารู้แจ้งนามมารูปได้ก็เป็นการรู้แจ้งโลก แต่ในการใช้ปัญญาพิจารณาดูนามารูปนั้นที่จริงก็เป็นอาการของมรรคสัตว์เมื่อปัญญาคือความรู้เกิดเพิ่มขึ้นกิเลสที่เป็นเหตุให้หลงให้ยึดจิตในนามารูปก็จะลดลงไปก็แสดงว่าสมุทัยสัตว์ก็ลถลดลงไปผลคือความสุขความสงบก็บังเกิดขึ้นก็เข้าไปกลุ่มของนิโรธสัตว์แต่านามารูปนั้นที่จริงแล้ว ก็เป็นได้ทุกอย่างคือเป็นทั้งกลุ่มทุกข์ก็ได้กลุ่มสมุทัยก็ได้กลุ่มนิโรธก็ได้กลุ่มมรรคก็ได้แล้วแต่เราจะเจาะ เ, เข้าไปในเรื่องอะไรจะพนามาทาบางอย่างเช่นความโลภความเมตตาเราเห็นว่าเมื่อท่านยกความโลภ ก, กับความเมตตามานั้นความโลภ ก, ก็อยู่ในกลุ่มของสมุทยัยคือเหตุเกิดของความทุกข์ แม้จะเกิดขึ้นเฉพาะความโลภเดีย๋ยกาสต่อไปนั้นเมื่อปริมาณของความโลภเพิ่มขึ้นจะมีการกระทำบอกมาทางกายท า, ง, า, างประจาด้วยแรงผลักดันของความโลภเหล่านั้นและความทุกข์ก็จะเป็นผลมาเกิดขึ้นนั้นจะพูดถึงความทุกข์หรือไม่พูดถึงความทุกข์แต่ถ้ยิงความทุกข์ก็รอคอยการเกิดจู่ คล้ายกับเม็ดพืชดังที่กล่าวแล้วเราจะพูดถึงต้นถึงกิ่งถึงใบถึงดอกถึงผลของเม็ดพืชเม็ดนั้นหรือไม่ก็ตามแต่จริงสิ่งเหล่านั้นรอคอยการเกิดตัูดแลวเพียงแต่อาศัยการเวลาอาศัยปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนเข้าแกก็จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หมาจริงมันก็เริ่มมาจากมเมล็ดพืชเพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้น เพะบางครั้งเมื่อสอนให้ละความโลภ ก, ก็แสดงว่าละความทุกข์ด้วยก็ทำนองคล้ายๆกับสอนให้ทำลายมเมล็ดพืชไปซึงหมายความว่าต้นก็ดีกิ่งใบดอกผลต่างๆเป็นต้นก็ดีนั้นของเม็ดพืชเม็ดนั้นก็จบคือจะพูดหรือไม่พูดพูดมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะตัวเหตุนั้นไม่มี แต่บาครั้งก็ใช้คำว่าเมตตาเฉยๆท่านก็สอนไปในแนวเมตตาแต่จากจุดของเมตตานั้นเองเราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วมันสงบมันเย็นอยู่ที่ใจเราก่อนต่อไปเมื่อกำลังของเมตตาสูงขึ้นความเย็นนั้นก็จะปกแผ่ไปถึงบุคคลอื่นโดยการกระทำบ้างโดยคำพูดบ้าง ด้วยความตั้งความปรารถนาของเราบางนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าธรรมนั้นเราอาจจะแปลว่าเขาเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นคือก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติธรรมดาเหมือนเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนไฟร้อนเหมือนน้ำเย็นเหมือนน้ำทะเลเค็มเป็นต้น คือเขาเป็นก็ขออย่างนั้นเานใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเป็นจะถูกให้เป็นอย่างที่เขาเป็นเช่นความโลภมีอาการดิ้นรนไปสู่อารมณ์ต่างๆคือเขาเป็นก็ขออย่างนั้นไม่ได้ไปเจาะจงมันจะเกิดที่ใจเราแล้วจะเป็นอย่างนั้นเกิดที่ใจใครมันก็เป็นอย่างนั้นคนที่ตกอยู่ในความโลภระดับเดียวกัน ถ้าไม่มีตัวอื่นเข้ามาแทรกหมายความว่าไม่มีพลังธรรมะเข้ามาแทรกแกก็แสดงอาการได้ระดับเดียวกันแต่ปดีคนเราไม่ได้มีเฉพาะกิเลสมันมีธรรมะอยู่ด้วยนั้นยกตัวอย่างเช่นพี่น้องนั่งกันอยู่สองสามคนมีคนมาด่าพ่อด่าแม่ของพี่น้องทั้งสามนั้น ทั้งสมคนจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันแม้คำด่าจะเหมือนกันก็ตามในการที่มีความรู้สึกไม่เหมือนกันนั้นคืออาจจะโกรธมากโกรธน้อยหรืออาจจะไม่โกรธเลยก็ได้เพราะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งขึ้นมาปิด ก, กั้นไว้นั้นคือกระแสของธรรมยางในกรณีของความโลภ ก, กับเมตตาโดยเฉพาอยา่างมันนั้นเพิ่งสังเกตว่า ไม่ตานั้นที่จริงเป็นข้าศึกคือเป็นตัวขจัดความโกรธคือกิเลสสายโทสะแต่ถ้าเขามีกำลังมากพอเขาก็จะได้ทุกตัวคือจะเป็นโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามเพราะการจะเข้าใจธรรมะเหล่านี้ก็ต้องดูที่ใจเราดูที่ใจคนอื่นอาจจะดูยาก เห็นว่าบางครั้งเรามีการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นซึ่งที่จริงแล้วเป็นการกระจัดความโลภจะถามว่าทำไมจึงช่วยเหลือสงสารเขาเมตตาเขาก็ไายเขาอันหมายความว่าเมตตาในขณะนั้นได้ทำหน้าที่กระจัดโลภะไม่ได้กระจัดโทสะตัวอย่างกรณีคนมาด่าอย่างที่ว่าแล้วในพี่น้องสามคนนั้นคนหนึ่งแกมีเมตตาทําอยู่บ้า ก็ น, นึ่มีคันติอยู่มากก็ น, นึ่ไม่มีทั้งสองอย่างจะมีเชื้อของความโกรธคนที่มาด่าอยู่ก่อนแล้วข้าราชการเห็นว่าปฏิกิริยาทางใจของคนนั้นทั้งสามคนนั้นจากคาด่าเท่ากันจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันคนที่มีเชื้อความโกรธคนที่ด่าอยู่นะั้ก็จะได้รับเชื้อบวกคือความโกรธก็จะเพิ่มขึ้น เพื่อนอาจจะถึงด่าต่อบประหารต่อประทุษร้ายตอบเกิดเรื่องลุกลามขึ้นต่อไปก็ได้ดีคนหนึ่งมันก็โกรธเหมือนกันแต่ก็อดกลั้นอดทนเอาไว้เราจะเห็นว่าอารมณ์ก็จะเกิดเสียดแทงใจเขาก็กล้ๆกับเร า, า, า, า, า ไ, ปไปยืนผลักกันอยู่มาความเขาผลักเรามาเราผลักเราไปเราก็ผลักไปเขาก็ผลักเราเราก็ผลักไป ต่างคนต่างก็ออกแรงต่างคนต่างก็หนิดเหนื่อยเพราะหลังจากเขาด่าเสร็จแล้วเรารู้สึกยังหนักยังอึ้งอยู่เพราะแรงประทะของความโกรธที่เราใช้คันติปะทะไว้ซึ่งบางครั้งก็ปะทะอยู่บางครั้งก็ปะทะไม่อยู่แต่ว่าในกรณีที่ปะทะอยู่จิตใจจะไม่สงบแม้จะได้ ผ่านการด่าว่าไปแล้วเพราะว่าแรงประทะที่เข้ามากระทบนั้นมันก็คล้ายๆกับกระทบกำแพงหรือกระทบฝาผนังตอนนมีรอยช้าเหลืออยู่แต่คนหนึ่งนั้นเข้าถึงเมตตาเมตตานั้นเพิ่งสังเกตว่าที่ยกตัวอย่างมาแล้วขจัดโลก็จัด โ, ก, โกรธแต่แกขจัดหลงด้วย คือจะมองเห็นว่าการกระทำของคนที่มาด่าดนั้นแล้วเกิด ข, ขึ้นจากอากุศลและเจตนาที่ขึ้นปรุงจิตอาจจะโกรธหรือโลภ ก, ก็ตามก็เรื่องของเขาแล้วเขาก็ด่ามาก็เป็นทุจริตทางวาจาอาจจะทำอะไรออกไปเป็นทุจริตพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเขากำลังกรททำกรรมที่เป็นบาป ซึ่งให้ผลเป็นความเดือดร้อนแก่เขาสูญเสียความสงบไปเกิดขึ้นแก่เขาในขณะนั้นนั้นแล้วก็เห็นก็นอยู่แล้วจะจะแล้วและต่อไปเขาจะประสบความเดือดร้อนด้วยตัวเขาเองแต่เราก็มองเขาด้วยเมตตาก็เป็นการแยกตัวออกไปได้ ไอ้สิ่งที่คาด่าว่าเหล่านั้นจะมีจะเหมือนกับสิ่งที่สกปลกปลกไปในสระน้ำทึงสะอาดมันจะสร้างรอยสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วมันจะถูกสลายหายไปน้ำในจุดนั้นก็จะใสเหมือนเดิมมันจิตใจของบุคคลก็จะมีความสงบเยือกเย็นตามสภาพของเขาโดยกำลังของเมตตา แต่ว่าในกรณนี้หมายความว่ามันเมตตาต้องมากพอเรื่องส่วนหนึ่งมากพอนั้นจะทําหน้าที่สลายส่วนหนึ่งจึงมีอยู่ในปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหลายอย่างที่เราพูดกันว่าน้ำม้อยแพร่ไฟนั้นถ้ารามองในแง่ของธรรมะเราจะเห็นว่าความด่านนั้นมันเกิดจากเปลวไฟคือโทสะที่มีอยู่ภายในใจคนนั้น แสดงว่าไฟคือโทสักขีมันก็เกิดขึ้นเผาหลนใจกดนั้นจนออกมาเป็นเปลวก็แลกแล้วก็ด่าแต่ทีนี้ถ้าหากน้ําคือเมตามันน้อย mm. ก็อาจจะดับไม่ได้ดับไม่ได้ต่อไปจะเป็นยังไงคือจุดที่ดับไม่ได้นั้นเด้งจะถูกเผาหลนจะถูกเผาไหม้ก็คล้ายๆกับ ราดับน้ําไม่เราไฟไหม้อะไรมันก็คือกันคือถ้าน้ํามากเราก็ดับได้น้ําไม่มากเราก็ดับไม่ได้เพราะน้ําคือเมตตาก็มีลักนณะอย่างนั้นถ้าเกบกังกำบังแกน้อยคือมีปริมาณน้อยก็ดับไม่ได้ดับไปได้ในจุดนั้นก็จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาอาจจะโกรธตอบผู้ดา่าโกรธตอบผู้โกรธนะฮะอาจจะด่าตอบผู้ดา่าแล้วอาจจะประทุษร้ายตอบผู้ประทุษร้าย นั้นธรรมะในส่วนของภาวนาซึ่งเน้นไปที่กุศลธรรมเป็นข้อที่ทรงสอนให้บุคคลตั้งไว้เป็นฐานของจิตใจคือให้มากเพราะนอกจากจะทำหน้าที่รักษาคุ้มครองและยังทำหน้าที่ป้องกันยังทำหนา้าที่ะจัดยังาทาหน้าที่รักษาทาหน้าที่บารุง ใจิตใจของบุคคลอีกด้วยแม้ว่ากลับมาในทํานองการรับประทานอาหารรับประทานยาดังกล่าวเร่งเราจะเห็นว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นที่จริงจะทาหน้าที่สี่อย่างเกิทําหน้าที่ป้องกันความหิวใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นทาหน้าที่บำบัดความหิวเก่าที่กำลังเสียดแทงอยูท่ทาหน้าที่บารุง ร่างกายให้มีกำลังมีเรยวแรงเพิ่มขึ้นทำหน้าที่รักษาสุขภาพพลานาฬิกาใหม่ของร่างกายแต่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นก็คือรับประทานอาหารเท่านั้นเองนั้นพวกภาเวติตาประธรรมเมื่อมันเป็นฐานใจคือพวกกุศลธรรมคือจะจับตรงไหนก็ได้ที่จริงไม่ค่อยมีความสาคัญอะไร เพราะว่าสิ่งที่เรานำมาศึกษานั้นที่จริงเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ผู้ฟังเมื่อคราวนั้นคือคราวแสดงครั้งนั้นท่านฟังแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลไปบางครั้งเป็นธรรมะเพียงข้อสั้นๆแต่ท่านฟังในขณะนั้นท่านบรรลุมรรคผลไปแล้วเพราะงั้นแสดงว่าธรรมะเหล่านี้ก็สมบูรณ์แล้วคือเป็นอริยสัจเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว บางทีมันก็ไม่มากอะไรอย่างที่ทรงสอนแก่พระโมคคราชซึ่งมากราบทูลถามว่าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรพูดเป็นไทยๆง่ายว่าจะมองเห็นโลกอย่างไรจึงจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนโมคคราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่าง คือศูนย์หรือไม่มีตัวมีตนจริงๆและถอนอัตาโนทิฏฐิคือความเห็นว่าตนกับของตนออกไปให้ได้โดยมัจจุราชก็จะตามไม่ทันคือจะไม่เข้าสู่อํานาจของมัจจุราชและใครก็ตามที่มองเห็นโลกอย่างนี้ก็จะไม่ต้องไปสู่อํานาจของมัจจุราช ทงใช้คำว่ามัจจุราชาธรรปัสติคือมัจจุราชจะมองไม่เห็นไอ้คำว่ามองไม่เห็นนั้นก็คือมองไม่เห็นตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณเพราะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปเกิดในโลกน่านเพราะนั้นเมื่อไม่เกิดผมก็เลิกพูดเรื่องตายแต่ตอนนี้ท่านถามเรื่องตายก็พูดเรื่องตายโดยไม่พูดเรื่องเกิดเพราะจริงๆมันเริ่มมาจากไม่เกิดอย่างพระโคจิกะที่ท่านนิพานไปพร้อมกับ คือดับกิเลสพร้อมก็ดับชีวิตเป็นพระหัน์ประเภทหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีบ่อยนักท่าเรียกว่าชีวิตตะมัดสำสีสีสมาสสีสีคือหมายความว่าชีวิตดับพร้อมกับกิเลสดับกิเลสดับพร้อมกับชีวิตดับมันดับพร้อมกันก็คือพระอระหันตอง์หนึ่งนั่นเองแต่ว่าท่านไม่ได้มีเวลาเหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือสังคมไดท่า น, น มารที่สแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของท่านก็ปรากฏว่าไม่พบพระพุทธเจ้ารับสั่งชี้ให้ภิกษุดูกลุ่มเมฆมีลักษณะหมุนวนผิดปกติหรือเมฆอื่นมันก็หลายไปธรรมดาแต่เมฆนั้นมันหมุนวิ่งเร็วหือขึ้นพระพุทธเจ้ารับสั่งชี้ภิกษุดูบอ ก, กนั้นคือมากรกาลังสแสวงหาปฏิสนธิิทธปฏิสนธิวิญญาณของโกจิกะแต่หาไม่พบหรอก พระโคดิกานิพพานแล้วนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเทศนาที่แสดงเพียงสามบรรทัดแก่พระโมคคราชในครั้งนั้นพระโมคคราชฟังเสร็จก็บรรลุมรคลเป็นพระหันไปเพิ่มเมื่อคนยุคหลังนํามาประพฤติปฏิบัติเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นเราก็บรรลุมรคนได้แล้ว นั่นคือส่วนของปฏิบัติหรือแม้แต่ที่ ท, ทรงประรบพระโคชิกะอย่างที่กล่าวแล้วพระเจ้าแสดงลักษณะของบุคคลที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์และสังสารวัฏได้ในกรณีที่ประรบพระโคชิกะก็รับสั่งไว้เพียงสองบรรทัดเท่านั้นเองว่า พระยามารย่อมไม่พบขนทางของบุคคลผู้มีศินผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคือหมายความว่าศีลสมบูรณ์แต่นี้ศีลจะสมบูรณ์นั้นจริงๆมันสมบูรณ์ตรงไหนเพราะาสามัญชนนั้นอย่างไงก็สมบูรณ์ไม่ได้ดานานๆอาจจะต้องมีส่วนบกพร่อง คนที่ทำศีลในสมบูรณ์จริงๆได้จริงๆคือพระโสดาบันขึ้นไปแต่ยังพระโสดาบันท่านก็ทำสิ่งที่ผิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่เป็นเหตุของอบายเท่านั้นซึ่งหมายความกิเลส ท, ท่านลดลงไปไม่มีการกระทำอะไรที่รุนแรงจนถึงก็ต้องตกนรกท่านปิดประตูอบายได้ แต่ไม่จะปิดประตูสังสารวัตเพราะท่านยังต้องเกิดได้เกิดอีกอย่างน้อยก็อีกหนึ่งชาติแหละเพียงแต่ว่าไม่เกิดเจ็ดชาติเท่านั้นมันแสดงว่าศีลที่สมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์เต็มเปี่ยมจริงๆก็ต้องขึ้นไปที่ร า, าคามีแล้วก็ตอกย้ำลงไปอีกจุดหนึ่งว่าอัปมาดาวิหารดังคือมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ประมาทแม้เพียงขณะจิตข้อ น, นี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ชัดว่าพอถึงขั้นละเอียดแล้วเราพูดเป็นขณะจิตแม้ในชีวิตเรามังก็เป็นเรื่องขณะจิตยงแต่เราไม่เคยคิดเท่านั้นเองว่าเป็นขณะจิตจนสมมติว่ากโกรธขึ้นมาด่าไปเลยแสดงว่าบาปนั้นเกิดขึ้นชั่วขณะจิต มันอาจจะเพียงเป็นเพียงวินาทีหรือไม่ถึงวินาทีก็ด่าจนโกรธกันตั้งหลายวันนะหรือว่าตัดสินใจทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะจิตแล้วก็มีผลยิ่งใหญ่ไปาะแล้วหรือขับรถเกิดอุบัติเหตุชนเปรี้ยงเดียวมันก็ตายแล้วเพราะจริงๆในชีวิตเรามันก็ขณะจิตกินยาพิษเข้าไปมันก็ขณะเป็นขณะหนึ่งเท่านั้นเอง วันขณะมันจะต้องต้องมีทั้งสองอย่างเพราะขณะจริงๆแก่เป็นทุกข์สัตว์เป็นปรากฏการธรรมชาติที่ไหลไปคล้ายๆกับไฟสว่างเมื่อเกิดดับไปอยู่ทุกข์กระเพียงแต่ว่าใครจะใช้แสงสว่างในขณะนั้นให้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างในขณะนี้จะเกิดเป็นความสงบเกิดเป็นธรมธรมะเกิดความเป็นความรู้เกิดเป็นความเศร้าหมองก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะใช้แต่ขณะแกมาแล้วแกไปแล้ว แล้วก็ไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วด้นเวลาสอนในแนวของทุกขสัจต้องสอนว่าเธอตั้งลอยจะปล่อยขณะผ่านพ้นไปเลยนะคนที่จะปล่อยขณะผ่านพ้นไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังเพราะแกมาให้ใช้เราไม่ ใ, ใช้แกก็ไปใครใช้มันก็ได้ประโยชน์ด้าการบรรลุมรรคผลนี่จริงมันขณะจิต ขณะจิตเราอาจจะฝังยากไปหน่อยคือพูดเป็นวินาทีการมาลุกมาผลเป็นเรื่องของวินาทีเท่านั้นเองวูบเดียวเกิดขึ้นก็เป็นมรรคเป็นผลกันไปแล้วนั้นถ้าประมาทไปสักวูบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะตกนรกเลยก็ได้ถึงท่านทั้งหลายมองเข็นที่เป็นรู ป, ปรธรรมที่เกี่ยวกับชีวประวัติของพระองคุลิมาน คือข่าพระเจ้าประเสนีโกสลจะออกปราบโยนองค์กลิมานนั้นพระเจ้าเองก็ทรงทราบนางมันตาณีพระมณีแม่ขององคกลิมานเกิดหิงสากระเองก็ทราบแม่นั้นกลัวว่าลูกจะถูกฆ่าก็ไปเพื่อจะหาลูกพระเจ้าเสด็จไปโดยวัตถุประสงค์สองประการการแรกก็คือทรงเห็นอุปนิสัยของพระองค์ุลิมาน ว่าจะได้บรรลุมรควผลเป็นพระขันได้แต่ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็นางมันตานีไปถึงก่อนองค์ธีริมานจะต้องฆ่าแม่ซึ่งฆ่ามันก็ขณะเดียวนะฮะยกดาบปูบเดียวฟันเปียงเดียว ก, ก็เสร็จแล้วก็ตกนรกเป็น น, นันติกามหายไปแล้วกี่ร้อยชาติพันชาติไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราเห็นเป็นขณะเลยว่าใครได้ขณะไหนก่อน พระพุทธเจ้ากับ น, นางมันตานีก็ทำเวลาแข่งกันไปทั้งขอสองคนนั้นต้องการไปช่วยนร้เจ้าก็ต้องการสเสด็จไปช่วยนางมันตานีเองก็ต้องการไปช่วยโดยไม่ได้มองไปที่องคุลิมานว่าใครจะช่วยได้หรือไม่ได้นางมันตานีท่านนึกว่าท่านเป็นแม่ท่าคนคงจะช่วยได้แต่จริงพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่า้าคืนไปและช่วยไม่ได้นอกจากช่วยไม่ได้และจะให้ลูกตกนรกด้วย พระองคุลิมานไม่รู้จักใครแล้วด้วยข้าวตาเป็นวิปริตไปแล้วอันเราเห็นขณะที่มันเฉือนกันได้ชัดว่าถ้านางมันตานีไปถึงก่อนเทียบเป็นขณะเดียวคือวินาทีเดียวแต่นั้นเองโจนอุกุิมานก็ต้องฆ่าแม่แล้วก็เป็น น, นันจกรรมเป็นมาถุกฆ่าฆ่าแม่ก็ตกนรกหายไปพระเจ้าไปถึงก่อนนอกจากปิดประตูนรกแล้วนะ อย่างรักษาชีวิตนางมันตานีพระปณีแล้วก็ประทานอารหันตมรรคเป็นประหันตให้แก่พระอุกริมานิตนั่นคือลักษณะของขณะที่มันมันมีการต่อสู้กันในเรื่องราวของบุคคลต่างๆซึ่งวันที่จริงมันก็เหมือนกับเกิดขึ้นในขณะจิตของเราเป็นขณะที่สั้นๆชั่วชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเร า, า จ, จะทาดีก็ได้ทาชั่วก็ได้มันก็อยู่เพียงชั่วขณะ ดังความไม่ประมาทจึงทรงสอนว่าอัปปามะวีหารีตังมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือไม่ประมาทโดยปกติอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันเรื่องวูบเดียวถ้นเราขับรถไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรืออาจจะไปนาราธิวาสก็ได้ไปไกลกว่านั้นก็ได้เราไปได้ตั้งหลายพันกิโลแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหา แต่อย่าลืมไปแล้วาอุบัติเหตุนั้นมันเพียงชั่วนาทีชั่ววินาทีเท่านั้นผล ก, การขับถูกต้องมาขับรถถูกต้องมามันก็ไม่ช่วยอะไรเราก็ตายไปแล้วยังมีคติโบราณที่ท่านพูดเอาไว้ว่าร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอดเหลือเป็นภาพชัดไนปะ ว่าร้อยดีพันดีนั้นแสดงว่าดูด้วยความไม่ประมาทมาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงวูบหนึ่งขณะหนึ่งเมื่อเกิดประมาทขึ้นมาแล้วไปทาผิดจะมีใครกระตุน้นหรือไม่กระตุนะต้นก็ตามก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าการกระทำความผิดของเร า, เาลองสังเกตบางอย่างว่ามีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกบางทีไม่มีใครกระตุน้นเราคิดตัวเองบางทีก็บวกกันทั้งสองอย่าง เราก็พร้อมที่จะทำความชั่วได้ถ้าหากว่าจิตใจเป็นมั่นคงพอดังนั้นถ้าอยู่ได้อย่างนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วจิตจะหลุดพ้นเพราะความรู้ชอบให้เราสังเกตุทรงชาติธรรมสามข้อตอนั้นเนี่จริงๆไม่ใช่สามข้อคือตัวเหตุมันมีอยู่สองข้อคือสมบูรณ์ด้วยศีลก็อยู่ด้วยความไม่ประมาท ตัวผลนั้นก็จะเป็นวิมุตต์คือจิตจะหลุดพ้นในทางที่ชอบกรดีวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นนั้นมีอยู่สองฝ่ายกรหลุดพ้นผิดก็มีหลุดพ้นชอบก็มีก็มาเน้นที่หลุดพ้นในทางที่ชอบเพราะความไม่ประมาทบางระดับนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องคุ้มครองเสมอไปว่าใจเราจะหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสในทางที่ชอบกําลังของความไม่ประมาทจะต้องมีกําลังมากจึงจะเข้าถึง ธรรมะวิมุทจริงๆนี่แสดงว่าธรรมะเท่านี้ก็สมเห็จสมกลแล้วเพราะในแนวของการปฏิบัติจึงไม่ควรจะไปติดใจว่าจะไปจับตรงไหนดีจะเอาตรงไหนดีไป จ, จับก็จะแข่งกันแล้วกันขอจำกัรให้เป็นกุศลธรรมหรือไม่เป็นกุศลธรรมแต่ต้องเป็นเหตุเพิ่มขึ้นของกุศลธรรม ต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราปฏิบัตินั้นเราเริ่มที่อกุศลเช่นยกตัวอย่างในนิวารณาปับพัหรือในจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าสอนให้ดูกิเลสแต่ว่าดูแล้วต้องมองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดละลงไป เป็นการศึกษาในลักษณะสรวจสอบคือดูขณะปัจจุบันแล้วก็สืบสาวไปสู่อดีตซึ่งเป็นตัวเหตุเกิดของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็พยายามดับในปัจจุบันคือดับอดีตไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วมันดับไปเองแล้วแล้วก็พยายามดับในปัจจุบันโดยไม่ต้องการให้เกิดอีกในอนาคตแสดงเราเริ่มตรงนี้ก็ได้ แต่ว่าผลสุดท้ายออกมาเป็นรูปของความสงบระงับมันก็กลายเป็นการปฏิบัติกรรมฐานในกลุ่มของนิวรณประปปะคือเริ่มมาจากกิเลสหรือโพวกส ม, มุทัยในถุนธรรมานุพัฒนาสีปทานมันก็เริ่มมาจากกิเลสหรือดูลมหายใจเข้าออกนั้นเราจะพบว่ามันก็ดูที่ทุกข์กสัตต์แต่การตั้งสติระลึกการตั้งสติ สมัมปชัญญะและความเพียระลึกรู้นั้นสติสมัมปชัญญะความเพียรก็เป็นมรรคเราจะเห็นว่าจริงๆเราจับดูที่ตัวทุกข์สัตย์แต่กำลังของมรรคนั่นเองจะสร้างนิโรธจึงหมายความว่านิโรธเกิดไอ้กิเลสก็ ส, ง, สงบความทุกข์ก็สงบตามไป แต่นั้นใครก็ตามที่ต้องการจะปฏิบัติจึงไม่ควรจะไปติดใจอยู่ว่าต้องเอาอย่างนั้นเท่านั้นอย่างเดยดไม่ได้เพราะจริงๆแล้วที่ทรงแสดงในแต่ละคราวนั้นผู้ฟังในครั้งนั้นท่านก็บรรลุมรกรุ่นกันไปได้เพราะธรรมตั้งปวงนั้นจะรวมลวงในอริยสัจทั้งสี่เราสามารถที่จะเข้าสู่ความสุขความสงบโดยการรู้อริยสัจทางประตูไหนก็ได้ในสี่ทิศคือทุกสมุ ท, ทัยนิโรธ แต่เมื่อผลเกิดขึ้นเป็นการจางไปคลายไปสงบไปของกิเลสจึงแสดงความทุกข์ก็สงบไปมรรคก็มีความสมบูรณ์ขึ้นรูมนิโรธก็ปรากฏผลชัดเจนจึงขึ้นชื่อว่าได้สัมผัสอริยสัจในระดับหนึ่งแล้วตามกะลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป